มันเป็นโลกโกลาหลนอยู่ทุกเมื่อความแก่ความเก็บความตายแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นโกลาหลนตามธรรมชาติอยู่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่ลงธรรมาอีกด้วยไม่จบกเกษียณด้วยบรรจุอยู่ที่นี้ลักษณะ ของธาตุดินน้าไฟลมที่ไปชมกันเป็นกายที่เรียกว่าลูกก็โกราหนไปในทางบูดเน่าออเปวยราอยู่ไม่มีกลางวันกลงืนไม่จบกเกษียณอีกด้วยไม่ลงธรรมาสอีกด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ซึ่งเป็นมหาโลคุตระคุณซึ่งรวมเขา้ทาทั้งคณของพระบิดามารดาปู่ย่าตาทวดหรือท่านผู้มีคุณหรือทั่วทั้งใจโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระกรมเกืนกันไม่แสลี่ยกันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้พระกรมเกืนไล่ขึ้นสู่ขึ้นพัด อ, อันพานอันที่ เป็นที่สุดทุกโดยชอบเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานอีกอันนี้ก็ไม่ลงธรรมิเป็นของจริงโกลาหนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ไม่แย่งธรรมะกันไม่ไปเป็นสงครามกันความจริงทั้งหลายไม่ได้เป็นสงครามกันทำส่วนไหนก็เป็นจริงอยู่ส่วนนั้นไม่ได้แย่งธรรมะไม่ได้หาเสียง ทำฝ่ายโลภุตระก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่ทรงอยู่ธรรมมาอันุธรรมทั้งหลายเป็นของที่มีอยู่ทรงอยู่อันนี้กโกราหุนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามไม่ลงธรรมมาไม่ชบกเกษียณไม่มีเอวังเหมือนเราเทศภายนอก สิ่งทั้งหลายเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วก็เงียบสงัดจากไตรโลกธาตุก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่เข้าสู่อนุปาทิเสสานิพานแล้วนั้นแปลว่าทําอันไม่ตายก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่ลงธรรมะอีกด้วยไม่จบกเกษียณอีกด้วยไม่มีพักมีพวกอีกด้วยไม่แย่งพักแย่งพวกอีกด้วยยะถาภูตังสมัมมปัญญายะทัดถับพังพระบรมศ า, ศาสดาสอนว่าให้รู้ตามเป็นจริง ด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยจะรุดพ้นจากความหลงของตนเองตามเป็นจริงด้วยการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มีกคลืนหมายปลายทางแห่งเดียวเพื่อรุดพพ้นเท่านั้นพุทธประสงค์ธรรมะประสงค์สังฆประสงค์ พุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสตร์ก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธขนทางธรรมขนทางสังฆขนทางคือขนทาง้นทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธแหวนสองทางธรรมแว่นสองทางสังฆแว่นสองทางก็มีความหมายอันเดียวกัน พุทธทา ง, ง, งร่มเยน็นธรรมทางลมเย็นสัง 30, ฆทางร่มเยน็นก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธโลคุตระธรมะรมโลคุตระสังฆโลคุตระก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธทัพ์ธรรมทรัพ์สังฆทรัพ์ ก็มีความไมยอันเดียวกันคือซับภายในถ้าซับภายในมีซับภายนอกก็ค่อยเป็นไปแต่ซับภายในไม่อันตรฐานซับภายนอกอันตรธานเป็นขึ้นๆลงๆเหมือนฝ้าแลบลาบก็ดียอดก็ดีสรรเสริญก็ดีก็เท่ากับฝ้าแลบเวลาฝ้าไม่แลบมีมากกว่าฝ้าแรลบ นุปมาเหมือนเวลาเสือเส่อ ม, อมลาบเ ส, ส, สื่อมยศเสื่อมสสุกเสื่อมสนละเสรือนเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงมีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสงสัยพระพุทธศาสนา ธรรมศาสนาสังคศาสนาพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังคศาสนาก็มีอยู่ที่สกลละกายวายใจใจของเราที่เราประพฤติถ้าเราจะร่นย่นลงเป็นสามกายพุทธวจีพุทธมโนพุทธ กายธรรมวจีธรรมมโนธรรมกายสงวจีสงมโนสงหมายความว่าในสิ่งที่ไปในทางถูกเนื่อพระพุธพะทธธรรมประสงค์ลงมาเป็นสามปีดกอยู่ในปีดกกายบ้างอยู่ในปีดกวาจาบ้างอยู่ในปีดกใจบ้างแต่ว่าปีดกใดก็าตามเป็นเมืองขึ้นของปีดกใจอีกเหมือนกัน ยนลงมาเป็นเอกนิบาตทียนี่ชิ้นท้าข้อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกันก็จัดเป็นสีและสมาธิอยู่ในตัวพระตัดสินลงใ น, นนาะที่นั้นแล้วที่นี้ปัญญาที่นี้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสินไม่คุ้ม ก็มีทั้งสติมีทั้งปัญญาในชั้นนั้นก็เรียกว่าสินสมาธิปัญญารวมลงในขณะเดียวอยู่แห่งเดียวกันเพราะเป็นของอัญญะมัญญะเสมอกันหน้าก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดี ก็เป็นพลังรวมอยู่ที่แห่งเดียวกันหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีก็เป็นพลังอยู่ที่แห่งเดียวกันอัญนนมณ์ยัซึ่งกันและกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในขณะเดียวกันศีลเป็นของสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เมื่อศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิก็เป็นเบื้องต้นปัญญาก็เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของพรมอาจารย์นในทางพระพุทธศาสนาพรมอาจารย์นในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายถึงชิ้นห้าเป็นแกนของพรมอาจารย์เป็นร า, ากแก้ว เหตุฉะนั้นสังคายนาครั้งที่หนึ่งพระมหากัจปะประเทรานุเทระซึ่งเป็นพระหรหันจึงทรงพระมติว่าควรสังคายนาพระเวนัยก่อน พระผูวินนยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาจึงให้พระอุบารีเป็นผู้วิสัชนาเพราะท่านเป็นผู้แตกฉานรักษาศีลก็คือรักษาตัวเอง ก็คือรักษาพระพุทธศาสนาธรรมศาสาสนาสังฆศาสนาสมาธิปัญญาหรือจาระก็มีความหมายอันเดียวกันให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อหวังจะชำระ โลกโกรธลงของตนให้หายไปทีละเล็กและน้อยจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เห็นภัยโลกเห็นภยัยโกรธเห็นภัยหลงพราโลกโกรธลงเป็นพืชพาให้เกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารที่เรียกว่าอาวิชชาจะเอากองทัพวิชาจารณะสัมปนู วิชาเจรณะสัมปันนก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองไปต่อสู้กับอวิชชาที่เรียกว่าวัตตจักก็ว่าอาวิชชานั้นวัตตจักเพราะหมุนเวียนพาให้เกิดแก่เก็บตายไม่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยว ในวัจจาศงสารพราะเห็นภัยอย่างเต็มที่เห็นภัยเกิดเห็นภัยแก่เห็นภัยเก็บเห็นภัยตายเห็นภัยจี้เห็นภัยปร่นเห็นภัยหิวเห็นภัยอยากเห็นภัยเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นภัยหนาวเห็นภัยร้อนเห็นภัยปวดอุจจาระปัสสาวะเห็นภัยในสกลละกายต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ภายในสกุลละกายสันพรโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายต้นไม้พักหญ้าทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ดินชั้นใดสันพรโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายนี่ก็เป็นทุกอันหนึ่งที่เรียกว่ากายแยกจากทุกทุก่างกายเพราะกายเป็นก้อนเป็นท่อน หนาวก็มากระทบเย็นก็มากระทบคำว่าปวดอุจจาระคำว่าปวดลดของความปวดก็คืออะไรก็คือทุกปวดปัสสาวะลดของความปวดคืออะไรก็คือทุกให้ปรากฏขึ้นแม้เราจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็าตามมันก็โทรศัพท์ให้เรารู้จักเพาไม่ใช่คนฟีบา้าคนไม่เห็นทุก ก็ไม่ยินดีในการที่จะพ้นทุกต้องเห็นทุกเสียก่อนเช่นพระบรมศาสซาดก็ก็สดาก็ต้องเห็นทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเสีกยก่อนจึงทรงยินดีในทางปฏิบัติเพื่อจะออกจากกองทุกข์อุปสรรคเป็นยาวิเศษถ้าไม่มีอุปสรรคในเกิดแก่เก็บตายในทั้งกลนะใโลกธาตุ มนุษย์สัตว์เทวดามารมก็จะยินดีอยู่แต่เพียงแค่มนุษย์ไม่น้อมถึงพระนิพพานมนุษยโลกเทวโลกสัตวโลกพรมโลกซึ่งมีชาติเป็นต้นแล้วต้องถูกเครียดแก่ถูกเครียดเก็บถูกเครียดตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแล้แตกสลาย ไม่มีอะไรยืนยงคงทนอยู่เมื่อโลกคือสกลลกายก็ดีสกุลลชาติล้วพกว็ดีสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงก็ดีสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองสิงก็ดีซึ่งอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังหมดที่นี่เราเราท่านทั้งหลายจะมาฝืนอวดดีปั้นน้าให้เป็นตัว ให้อนิจจังเหล่านี้อยู่ในวงแขนตามความประสงค์ ข, ของตนมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อเปลี่ยนไปไม่ได้ก็จำเป็นจะยกธงขาวต่อคำสอนของพระบรมาศาสดาพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อถ่ายถอนความหลงของตนให้ติดต่ออยู่มินะนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนอีกเพราะความหลงมีเวลามากกว่า การต่อสู้กับความหลงมีเวลาน้อยธรรมดาคนปราบกันผู้มีกําลังมากจึงสามารถปราบเขาล้มให้ลงถ้ากําลังน้อย ก, ก็ปลาบเขาไม่ลงถ้ากําลังของปัญญามากความหลงก็ปาฏิหารไม่ได้ไม่มีปฏิหารหลงตัวเดียว พาให้ท่องเที่ยวในวัดทรสงสารที่นี่ใครเป็นผู้หลงนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นคุณในกา นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะเห็นโทษในใจตกลงเป็นงานของใจอันเดียวงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายเพราะเขาเป็นไม่เป็นหัวจักหัวจักพาเขามุนไปเขาไม่เป็นผู้บงการ เขาไม่เป็นนายทุนจะทำผิดหรือทาถูกก็ขึ้นอยู่กับเมืองใจการทำถูกทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนการทำผิดทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนเวลาใดก็อยู่ที่เมืองใจข้างใจนั่นเองใครจะเป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดทีนี้ใจต้องรับรองตนเอง ไม่มีใครจะมารับรองได้ตาก็ไม่มารับรองหูก็ไม่มารับรองจมูกก็ไม่มารับรองลิ้นก็ไม่มารับรองกายก็ไม่มารับรองใจก็ไม่มารับรองไม่รับประกันให้เพราะเขาไม่ได้บงการเพราะเขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวจัด เพราะเขาไม่เป็นผู้ขับเขาก็คล้ายๆกับรถทีนี้จะชำรุดชุดโซมก็เป็นหน้าที่ผู้ขับรถจะปฏิบัติจะฟังหรือไม่ฟังก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่ปฏิบัติถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ถึงจะปฏิบัติถูกสักเพียงไหนก็าตามถ้าเหลือวิสัยรถคันนั้นมันก็ต้องปล่อยตามเรื่องผู้ท่องเที่ยวในวัดจ้างสารก็คือจิตใจที่หลงๆไหลๆลำๆนั่นเองบางแห่งก็เรียกว่าวิญญาณ บางคำเขาเรียกว่าจิตบางคำเขาเรียกว่ามนุภาษาอื่นเขาเรียกว่าเซนหรืออะไรไม่ทราบเขาก็มีความหมายอันเดียวกันใจดวงเดียวไม่เกี่ยวกับทำสงสยัยถ้าใจเป็นหนึ่งทำก็เป็นหนึ่งไปในทางถูกก็เหมือนกันไปในทางผิดก็เหมือนกัน ไ ป, ไปในทางผิดมันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าเราตกลงใจจะฆ่ามนุษย์มันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันจึงตกลงฆ่าได้เราตกลงใจจะรักษาศีลภาวนามันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันมันจึงทำได้คาว่าทาใจให้ว่างมันก็กินความกว้างนักหนา ไม่รู้ว่าว่างในชั้นไหนไหนพวกที่มีศีลบริบูรณ์เว้นจากปานาที่บาต ก, การมสมิทใช้จารเขาก็ว่างจากความชั่วในตอนนี้จิตของเขาแต่ส่วนความดีมันไม่ว่างเสียแล้วมีอยู่เห็นเราดื่มอาหารมันก็ว่างจากหิวไปเป็นคำคำ จนถึงสมมุติว่าอิ่มเป็นวาระหนึ่งหนึ่งคนทั้งหลายชอบพูดกันว่าจงภาวนาทำใจให้ว่างพูดง่ายแต่ฟังยากไม่รู้ว่าว่างอยู่ในชั้นไหนไหนใครพูดก็ได้พุโทโธพุโทโธไปว่าผูร้รู้ไม่รู้ว่ารู้อะไรพวกเขาไปรักเขาก็รู้อยู่ ก็พุโทโธที่รักก็มีเท่าอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าเขาไปรักอยู่พุโทโธผู้รู้แปวล ว, ว่าชั่วทาดีรู้ละชั่วทาดีเรียกว่าพุทธโธแต่พุโทโธย่อมมีขอบเขตผู้รู้ก็มีขอบเขตจิตว่างก็มีขอบเขต ถ้าอย่างนั้นมันก็ฟันเฟือกันจิตว่างถึงพระโสดาบันจิตเป็นพุทโธถึงพระโสดาบันจิตเป็นธรรมโมถึงพระโสดาบันจิตเป็นสังโฆถึงพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบันศีลพระโสดาบันปัญญาพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบัน ศรัทธาพะโสดาบันวิริยะพระโสดาบันความเชื่อสติของพระโสดาบันสมาธิความตั้งมั่นของพระโสดาบันปัญญาความรับรู้ของพระโสดาบันนับแต่จำพวกนี้ไปก็จึงมีประมาณในธรรมพุทธศาสนา นอกนั่นจะเอาเป็นประมาณไม่ได้กระจุยกระจายกันปั้นไม่ติดถ้าสวดอาบรรทาสิ่งใดในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวแก่การงานอะไรก็ตามหวังเพื่อพ้อนทุกในวัฏสงสารโดยหลวนเท่านั้นมีเจตนาอันเดียวไม่มีเจตนาอันอื่นมาปะปน ให้เป็นปัญหาสอดแทรกจะพ้นหรือไม่พ้นก็เชื่อลงในอันเดียวเท่านั้นไม่สงสัยในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เลยไม่ลังเลยเสวดาบันตัตงเวนอบายามุกทุกประเภท จึงทรงพระนามว่าสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆตามกว่านั้นลงมาพอบรมาศาสด า, ศาไม่รับรองพ่อหลายบางทีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้างบางทีก็ไปพรมโลกบ้างบางทีบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบ้างเพราะยังไม่ปิดประตูใจ อันไปในทางผิดถ้าหากว่าทำบุญบ้างไม่ได้ทำบ้างเวลาจะถึงมรณะภาพก็ระลึกถึงบุญของตนเสียระ ล, ลึกถึงบุญของตนแล้วก็ทิ้นลมปาณในขณะ น, น, นั้นก็ไปสู่บุญของตนหมดอายุไขก็มาสู่บาป เวียนวัดปัทถวิงอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเวลาใกล้จะตายก็เลยลึกถึงบาปที่ตนทำไว้เสียสะก็ว่าสะเป็นคำภาคอีสานเสียเป็นคำสมัยรัชการที่หกแต่ทุกวันนี้หลวงปู่ไม่เข้าใจเขาพูด เพราะมีคำเพิ่มมากในภาษาภาคอีสานในภาษาภาคกลางเพราะเป็นผู้อ่อนภาษาถ้าเรายังไม่ถึงพระสวดาบรรเราก็ยังไม่ไหวใจในปฏิปทาของเราเพราะไม่รับรองในว่า เพราะเกรงจะเป็นว่าเชือกขาดพระโสดาบันในทางคาราวาดมีตั้งแสนแถนนันลาดข้างผู้จการสักท่าคามีก็เหมือนกันอันนาคามีก็เหมือนกันท่านหันก็มีเหมือนกันเรื่องโลกเรื่องสงสาร เราทราบชัดกันดีอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายเราจะเพลินใส่ซักเพียงไหนก็มีอยู่เพียงนั้นไม่เป็นตามไปตามความเพลินของเราเราจะทะเยอทะยานหรือไม่ทะเยอทะยานก็เป็นจริงอยู่เพียงนั้น การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังโลกุตระ 1. นคณะจิตก็ยังดีกว่าการประพฤติพรหมจรรย์พอเป็นนิสัยตั้งรัล้านคณะจิตการประพฤติพรหมจรรย์นในทางพระพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาเป็นต้นหวังเพื่อพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันในชาติ แล น, นั่นสร้างบารามีมานานแล้วบรรดาให้นิยมชมชอบมีเรื่องทดสอบตอนเองถ้าหากว่าจิตใจของเรายังตะเกียบตะกายในทางวัตถุนิยมอยู่เราก็ตัดสินตนเองได้ว่าเราความหลงของเรายังมีกำลังมาก ถ้าหากว่าเราเห็นภัยในวัดธาตรงศารถ้ามีอุปสรรคเป็นยาวิเศษให้ชวนคิดอยู่เสมอเสมอไม่ไว่าใจอันใดว่าใจในตาก็ไม่ได้ไว่าใจในหูก็ไม่ ไ, มได้ไว่ายใจในจมูกก็ไม่ได้ไว่าใจในลิ่นก็ไม่ได้ว่ายใจในกายก็ไม่ได้ไว่ายใจในใจก็ยังเพราะใจยังไม่ได้ฝึกจะว่าใจก็ไม่ได้เพราะฝึกยังไม่เต็มที่ คล้กกับมากศึกยังไม่ดีก็ไว้ใจไม่ได้เมื่อไว้จะไม่ไว้ใจในวัฏฏะสงสารก็คือไม่ไว้ใจในกองทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อตื่นอยู่ด้วยสติในวัฏฏะสงสารไม่คุ้นเชื่องอันใด ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิมีผู้มีปัญญาอยู่ในตัวเป็นผู้เห็นธรรมอยู่ในตัวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมพระบรมศาสด า, ษ า, ษ า, ษ า, ษายืนยันถ้าหากว่าเราตัดสินลงดีๆแล้ว โลกนี่เต็มไปด้วยกองทุ์เต็มไปด้วยแก่เป็นไปเต็มไปด้วยเก็บเป็นเต็มไปด้วยตายเต็มไปด้วยไม่มีอะไรเกียรกียดังยังยืนเต็มไปด้วยไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นมาแล้วก็เป ร, เรป่วนแตกสลายถ้าเราเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่พ่อผมกําลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือพ่อกับก้าวขาออกเดินในเวลาเราปฏิบัติเดินยกรมก็ดี เวลาเรานั่งสมาธิกว่าดีสมาธิที่มีปัญญาสัมพยุตเป็นสมาธิที่มีกำลังจะชํำแระความหลงของตนปัจจุบันทันด่วนวันนี้เป็นวันใหม่หรือเป็นวันเก่า ก็เป็นวันเก่าที่เคยมืดมาแล้วนั่นเองไม่ใช่วันใหม่เลยที่เราเคยผ่านมาเป็นรอบๆปีนี้ก็เป็นปีเก่าไม่ใช่ปีใหม่เป็นรอบๆของปีที่ผ่านมาที่เราสมมุติว่าปีเก่าปีใหม่ก็สมมติตามภาษาในโลกในโลกนิยมซึ่งจะคัดค้านไม่ได้แต่ทางปรมัตา์เพื่อจ ะ, จะชำระความหลงของตน ให้เบาลงก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี่เพื่อจะมาให้หลงสมมุติสภะสมาธิใดๆก็ตามตั้งอยู่ทําไมตั้งอยู่เพื่อให้เห็นกองทุกเพื่อให้เห็นของจริงสมาธิก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กองทุกกองทุกอันละเอียด ตั้งอยู่หมดกําลังก็ถอนออกมาพอหมดกําลังก็ถอนออกมาจิงได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สมาธิก็อยู่ใต้อํานาจอนิจจั ง, งเหมือนกันเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ภาวนาไปเห็นล่องโหนก็ดีหเหาะเหินเดินอากาศก็ดีก็อยู่ใต้อํานาจอนิจจั ง, งเหมือนกัน ถ้าหากว่ามาอยู่แต่อำนาจอนิจจังพโมกขลาทําไมถึงมาเหาะอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เสือ่อมสูญไปแล้วท่านก็เข้าอนุปาทิเสสนิพานไปแล้วใด้ไดในโลกล้วนอนิจจังใด้ดในโลกล้วนทุกขงังใด้ดในโลกล้วนอนัตตาผู้ใดพิกขรณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นพร้อมกันในขณะเดียว ร้องกระลมเข้าลอมออกอยู่ผู้นั้นจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารจะสิ้นความสงสัยในวัฏสงสารจะเป็นตัวมหาศีลจะเป็นตัวมหาสมาธิจะเป็นตัวมหาปัญญาจะเป็นภาวนาไม่เรียงเบรศจะไม่ตื่นโวาหารของท่านผู้ใดทั้งสิ้น จะไม่ตื่นวาหารภายนอกทั้งสิ้นจะเป็นทารรมชันสูงจะเป็นธรรมที่มีขอบเขตจะเข้าสู่โลกุตรธรรมมีสุขติเป็นเบื้องหน้าสุขติทางใจเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้น ลมเข้ามีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปวนมีทั้งดับไปลมออกมีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปวนมีทั้งดับไปสอแสดงให้เห็นว่าเป็นสังขารอันละเอียดอยู่แล้วเป็นโลกอันละเอียดอยู่แล้วเป็นปัจจุบันนรกอยู่แล้วอดีตคืออะไรย่นลงมาคือลมเข้าออกที่ลวงไปแล้วอนาคตคือลมเข้าออกที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคือลมเข้าออกที่กำลังเป็นอยู่ที่ให้เห็นเป็นพยานเอกเป็นตัวมหาอนิจจังในฝ่ายกายสังขารอันละเอียดส่วนจิตตสังขารที่บัญญัติญญตว่าลมลมลมลมลมลมล ม, ล ม, ลมแต่ละคาละรมก็มีเกิดมีแ ป, ปรปรวนมีดับไปเป็นแต่ละคำละคาพร้อมกันเหมือนพยับเดช เมื่อเป็นดังนี้ในใจโลกธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งภายนอกและภายในทั้งที่มีวิญญาณคลองสิงและไม่มีวิญญาณคลองสิงก็เกิดขึ้นแหนบแปรปวนและแตกสลายอย่างพึงพายอยู่ถ้าหากว่าจิตใจจะมาเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งเหล่านี้อยู่ในวงแขนของตน ให้เป็นสมบัติพัฒสถานโดยจริงจริงยังจังเพื่อความสุขแล้วประตูของความสุขก็ไม่ปิดก็ต้องเปิดก็ไม่ปิดไ้ก็ไม่มีมาจากประตูไหนทีนี้ก็เปิดเทออกไม่ได้เปิดรับไว้ พ้าเป็นของไม่กี่หลังยังยืนมันเกิดขึ้นเองมันแปรปวนเองมันแตกสลายเองแต่หากว่าผู้เข้าใจผิดก็มายึดถือเอาเป็นเจ้าของทีนี้ทิจรณ า, าลงให้เห็นจริงลมก็เป็นแต่สักว่าลมจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้ จิตก็ดีลมก็ดีผู้รู้ก็ดีไม่ได้ไปเป็นสงครามกันแต่ความหลงไปเป็นสงครามกันต่างหาความหลงว่าเราว่ากูของกูมึงของมึงน่งเป็นของความหลงสําคัญมากของท่านของเธอของกับผมของดิฉันของพระเดชพระคุณก็มีความหมายอันเดียวกัน นอนใจในวัฏฏะสงสารกับนอนอยู like ich, ่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในความหลงของตนที่ยังไม่พ้นเป็นพระอรหันกับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจอยู่ในคุกในตารางคุกกิเลสคุกโรคคุกโกรธคุกหลงก็มีความหมายอันเดียวกันกับนอนใจในหลุมฐานเพลิง โอเทตาพระบรมศาสดาสอนให้ตื่นอยู่ด้วยสติยองยาจง ย, า, จงยานอนใจเนอรพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาเลี๋ยวบอกเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะเวลามีกำลังวังชา จมรีบเร้งภาวนาเพื่อคนทุก์ในวัฏฏ์สรงสามเสียเถิดเดีเ๋ยวจะเสียใจในภายหลังเราจะทาคตเมตาตาพวกเธอทั้งหลายจึงบอกด้วยความสุภาพไม่ได้ขม่มไม่ได้ชวนเชื่อไม่ได้ข่มเหง ความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงชนะตันหาชนะกองทุกข์ด้วยชนะพืชที่จะปลูกไปในภพต่อๆด้วยเพราะไม่ยินดีโดยการแยบคายไม่ใช่ไม่ยินดีได้ยินตามสัญญา ผู้ที่เอื้อมละอาในวัฏจัทรสงสารอย่างแยบคายไม่ได้เอื้อมละอาแบบมีโกรธสัมปยุทธ์ผู้นั้นศีลสมาธิปัญญาของเขามีกำลังแล้วมีพลังรวมกันเลยเป็นเชือกสามเกลียวเขาจะ ไม่มาท่องเที่ยวในวัดตะสงสารนานอีกเลยผู้ใดตะเกียกตะกายแต่ในทางวัตถุพินิีนิยมถ่ายเดียวไม่มองเหลียวอยู่ทางพนทุกข์ในวัดตะสงสารเป็นเหตุ ให้เนิ่นนานในทางพ้นทุก์ในวัฏสงสารเพราะวาลมียังอ่อนอินทรียังอ่อนสัทตินทรีวิริยินสัินทรีปัญญินทรีสมาธินทรียังอ่อน เห็นดินขณะเดียวก็เห็นใจโลกธาตุเพราะใจเต็มโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ําขณะเดียวก็เห็นรอบใจโลกธาตุนั่งอยู่บัลลังเดียวเพราไตจโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุน้ําเห็นไฟภายนอกขณะจิตเดียวก็เห็นรอบใจโลกธาตุเพราะใจโลกธาตุเต็มไปด้วยไฟภายนอกเรียกว่าเห็นธาตุ เห็นลมก็เหมือนกันเห็นความแก่เก็บตายแต่ละอย่างละอย่างก็เหมือนกันเห็นในปัจจุบันชัดก็เห็นรอบในตจโลกธาตุทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ต้องชัดไม่ต้องสงสัยอีกถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาถ้าไปสงสัยอีกได้ยินแต่เขาว่าแก้วเจ้าขายึงนข้าวฟักปลวย ถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองแล้วก็ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่สงสัยโลกด้วยจดหมายโกหกพกลมกันทุกวันนี้ดิฉันผมอัตมภาพอยู่ทางนี้ก็สบายดีดอกก็พูดตามสมมุติในเวลาไม่เกค่ป่วยก็พูดตามสมมุติแต่ความจริงเลย ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะเอาความสบายมาแต่ที่ไหนถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่ก็พูดกันตามสมมุติ<ม>คนหนึ่งในจังหวัดพา ง, งานเขาเขีนยนจดหมายมาพักมหาบ้านเมืองของเขาบ้านของเขาก็เป็นบ้านที่ท้าวอนมัานคงเขาบอกว่าที่พักชั่วคราว บ้านของเขาพราวอนมั่นคงเขาก็บอกว่าที่พซ์จ ก, กาวทีิพซ์จ ก, กาวจริงอยู่เขาไปอยู่พอร้อยปีก็าตายเกี่ยวกับทิพซ์ขาวไม่ว่าแต่เท่านั้นเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็มีกําลังก็ไม่เพลินในวัฏสงสารจนลืมตัว ผู้ใดเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็ผู้นั้นเป็นภิกษุอย่างเต็มที่จะเป็นหัวดำหัวขาวสักเพียงไหนก็ตา่างจะเป็นเพศอะไรก็ตา่างภิกษุในทางปรมาภิระบรมาศาสดายืนยันความเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ ความดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต้นที่ก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันความไม่นอนใจในวัฏสงสารกับความไม่นอนใจในกิเลส ข, ของตนก็มีความหมายอันเดียวกัน การพิจนารณาทุกหนึ่งเนืองก็คือการเดินมักหนึ่งเนืองก็มีความหมายอันเดียวกัน ก็ต้องภาวานาก่อนจะหลับลมเข้าลมออกไม่ได้ซื้อของใครเลยเรามีอยู่มีอิสระอยู่ข้าพเจ้าดึกยืมท่านมากำหนดลมให้ใจเขาออกบ้างเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปส่งหรอกก็ไม่ได้ว่าเว้นไว้แต่ไม่ต้องการ คราวไหนที่กิตใจอยู่ห่างเหินกรรมฐานพอได้ยินเสียงอะไรตรูมก็เสดุงผวาเพราะกีเลสตัณหาปัวตายคราวไหนมีสติอยู่กับกรรมฐานอะไรตูมลงมันกดเฉยฉันไม่เสดุงแล้วสังเกตใครสังเกตก็รู้ดี เห็นคุณในปัจจุบันพวกที่วางของตุ้มๆนิ่มๆ <c oughs> ก็คือสติไม่อยู่กับที่จับหลวงปู่มัน่นจับของไม่มีกระทบกระเทือนจับขึ้นก็รู้วางลงวางลงก็รู้หลวงปู่มัน่น ถ้าฮัตให้สติอยู่กับตัวเขาภาวนางน่ายสังเกตดูเราก็รู้จักเวลาจับสิ่งของเปลืองฝังก็สกติมาอยู่กับตัวไม่อยู่กับที่จับไม่อยู่กับที่วางเดี๋ยวเรากําหนดลมให้แกเข้าออกแล้ว เดี๋ยวจิตก็ไปจับอันนั้นเดี๋ยวก็จิตก็ไปจับอันนี้ทรมานยากเหมือนกันเหมือนลิงมันขึ้นอยู่กับความยินดีมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจอีกด้วยขึ้นอยู่กับความเชื่ออีกด้วย จิตที่ไม่ทรมานก็คล้ายๆกับร่างกายไม่อาบน้ําไม่ทรมานในทางธรรมคล้ายๆกับว่าร่างกายที่ยิวอาหารแล้ว ไ, ไม่รับฐานให้มันจิตกินอาหารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือนึกจิด ก็ให้นึกคิดไปในทางที่ดีก็เรียกว่ากินอาหารดีถ้านึกคิดไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่น น, น, น, นอกจากทำของพระบรมศาสดาเนี่ยเเรียกว่าจิตกินอาหารไม่ดีพบอะไรก็เจอพบอะไรก็คว้าใส่ปากเจอกล้าจิตเป็นของนึกคิด แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่มาเอามานึกคิดปากเป็นของดื่มอาหารท้องเป็นของต้องการอาหารเหมือนกันสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาดื่มมากินมาฉันมาทานตาสําหรับดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องดู เช่นดูหนังดูละครดูลิเกเป็นต้นดูหนังก็ดูหุน่นดูหุ่นก็ดูหนังโทรทัศน์ก็เหมือนกันจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ไม่ฟังฟังเสียงร้องเพลงแต่ฟัง เพื่อนอกมาเป็นธรรมก็เป็นศานหนึ่งฟังเพลินไปกับเขามันก็คัดต่อกับศีลธรรมของเราอีกเหมือนกันนันทิความเพลินแก่เราก็เห็นเต็มตาเก็บเราก็เห็นเต็มตา ตายแล้วก็เห็นเต็มตาสายจากเช้าสายบ่ายเทียมเราเกิดมามันเลื่อนตำแหน่งมาไรตำแหน่งแล้วเกิดมาเล็กตัวนิดๆเลื่อนตำแหน่งมาตัวโตวๆปฏิชนที่ในคันพระมานา เลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีหูมีตาจนถึงเลื่อนตำแหน่งคลอดออกมาเลื่อนตำแหน่งมาจนถึงเป็นคุณหนูเป็นเด็กชายเด็กหญิงเป็นนางนั้นนางนี้ก็ว่าตามโบราณเป็นคนนั้นคนนี้ เป็นคนุณตายเป็นคนุณตายเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนตำแหน่งไปอีกออก็เลื่อเนอ เ, อเข้ากองไฟอย่าแต่จิตใจนั้นเลื่อนตำแหน่งออกจากบาปมาฮาบุญหรือไม่ก็เป็นอีกสถานหนึ่งก็เป็นหน้าที่เจ้าตัว จะพิการณาตัวเองของใครของมันจะสาดได้ป้ายสีกันก็ไม่ได้กายแกเป็นชาลาเป็นตายเป็นแต่กิจตายไม่เป็นกิจตายมีสองอย่างตายจากความดีหนึ่งเรียกว่ากิจตายกิจตาย แ้นสุดท้ายคือตายจากกิลเลสไม่มีกิลเลสเรียกว่าตายชุดท้ายตายไม่เกิดอีกนะที่เรียกว่าจิตไม่ตายก็มีอยู่สองประเภทจิตไม่ตายจากศีลธรรมเพราะปฏิบัติศีลธรรมอยู่จิตไม่ตายเพราะถึงพระนิพพานไม่มาเกิดแก่เกิดตาย ทีนี้ท่านผู้ใดเคยภาวนาอันใดก็ภาวนาโลงอย่ไปสงสัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนถ้าถามตนเองอย่างนั้นเอากําปั้นตีหน้าอกตอนเองนี่นี่นี่บอกอย่างนั้นอริยธรมเมธิโตนะโรอริยธรรมอยู่ที่นอนรชน ผู้ชอบพิจร า, ารณาตะกอนในร่างกายกว่าพิจรารณาต่างให้มีข้อวัดเราทําไปทุกวันทุกวันจิตใจเราไม่อยู่เหมือนเก่ามันสูงขึ้นถึงร่างกายจะแก่ก็ตามเขาทําบาปแต่ละวันละวันบาปก็ไม่อยู่เท่าเก่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นในใจของเขาน่ะ บ า, บ, บาก บ, บวกบาบุญบวกบุญมันบวกอยู่ที่ใจบุญคูณบุญอยากจะเห็นบาก ariat, ก็ดูที่ใจถ้าใจทำมันก็มีถ้าใจไม่ทำมันก็มีไม่มีอยากเห็นบุญก็ดูใจอยากเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดูใจอยากเห็นสมาธิก็ดูใจอยากเห็นปัญญาก็ดูใจถ้าใจทงมั่นก็เรียกว่าสมาธิถ้าใจรอบรู้ในกองสังขารก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้น อยากเห็นกิเลสก็ดูใจถ้าใจไม่รคมีโกรธไม่หลงก็อยู่ที่เกะอยู่ที่อยู่ที่ใจถ้าใจพ้นแล้วมันก็พ้นอยู่ที่ใจจะไปดูที่อื่นไม่เห็นทางนั้นดูของที่มันมีอยู่ ใครเป็นผู้สงสัยพระพุทธศาสนาก็คือใจถ้าใจไม่สงสัยพระพุทธศาสนาใจก็รู้ว่าใจไม่สงสัยใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าใจเลื่อมใสใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่เลื่อมใสใจก็ตอบใจไม่ได้ถ้าไม่เลื่อมใสก็ใจนั่นแหะตอบใจถ้าไม่เชื่อพระพุทธศาสนาใจนั่นแหะตอบใจ ถ้าใจเชื่อว่าพุทธศาสนาก็ใจตอบใจเหมือนกันฟังเทศก็คือฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงก็เป็นธรรมกระกึกเอกทั้งสองทั้งผู้ฟังทั้งผู้เทศถ้าคนไม่มีใจก็ฟังเทศไม่เป็น ถ้าคนไม่มีใจประเทศไม่เป็นตกลงเรื่องเทศก็คือเทศใจฟังก็คือฟังใจปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจไม่ปฏิบัติก็คือไม่ปฏิบัติใจได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ได้ไม่ได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ไม่ได้ขาดทุนก็ใจเป็นผู้ขาดทุนไม่ขาดทุนก็คือใจเป็นผู้ไม่ขาดทุน เพราะผู้นั้นเป็นผู้เป็นผู้รู้จักคนอื่นไม่รู้จักเวลาอะาไรเล ย, ยนี่ใครส่งเซ็กอะไรก็ถามกัน่ะตั้งกจภาวนาตามจิตกำลังของตน ว่าให้รุดพ้นไปในวัฏสงสารเพื่อให้ต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้ชนะความหลงของตนไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความหมายเท่านั้นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาพูดไปมากเท่าไรก็มีความหมายเท่านั้นจะให้ทานน้อยทานมากก็าตามรักษาศีล น, น้อยมากก็าตามภาวนาน้อยมากก็าตามจะใช่โวหารวันหนึ่งคืนหนึ่ง ก็มีความหมายหวังเพื่อพนทุกข์ในวัฏฏะสงสารเท่านั้นไม้อยากจะชนะความหลงของตนเท่านั้นชนะความหลงของตนแล้วก็ข้ามโลกโลกคือความหลงของตนความหลงคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะสัมพยุตกันอยู่ คือพืช อ, อันจะไปปลูกในพบข้างหน้าเพราะมันเป็นละเอียดกว่าพืชต้นไม้เพราะต้นไม้มันไม่มีกิเลสเอาเม็ดผ้าไปฟันมันมันก็ไม่บนมันก็ไม่สาบแค่ง มนุษย์สัตว์ของเรานี่มึงเถอะมันว่าอยู่อย่างนั้นถึงมันกราบไหว้เรามันก้อนมึงเถอะอยู่เพราะมันยังผูกเวนอยู่มนุษย์สัตว์สัต์ทั้งหลายเช่นชุกรเขาไปฆ่ามันมันรองอิดอิด มันขอชีวิตมันไว้ปากของมันยอมแต่ใจของมันไม่ยอมมึงเถอะมึงเถอะมัน <c oughs> มันก็ผูกเวรยอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงเป็นบาปถ้าเห็นใตโลกทานเต็มไปด้วยความทุกข์แล้ว มันก็มีกำลังใจอยู่ทีนี้เพราะมันไม่สงสัยว่าจะมีสุขมาปะปนในใจโลกธาตนี้ถ้าหากว่ามันตีความหมายว่ามีสุขมาประปนในใจโลกธาตทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็ต้องไปแอบกินอยู่ว่าถ้ามันมไม่มีที่แอบแล้วมันก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าหากว่ามีที่แอบว่าที่นั่นก็ต้องเป็นสุขที่นี่ก็ต้องเป็นสุข พระบรมศาสดาก็าไปพระนิพพานมาได้เพราะมีที่แอบอยู่วิญญาณปฏิสัณฑ์ที่เขไปตั้งอยู่ที่นั่นพระอริยะเจ้าก็เหมือนกันมองดูอดีตก็ล้มถานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มถานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ล้มถานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกเอออย่างนั้นหรอกหไรแบบนั้น เมื่อคืนมาขบดสงสัยตนอีกวิญญาณปีิสนีิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปานก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานถึงทำอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งลาบถอนความหลงทั้งลาบถอนความเพลินทั้งลาบถอนความเข้าใจผิดทั้งราบ ด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมประสงค์แท้สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้มองดูอดีตก็ล้มถานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มถานเพลิง มองดูปัจจุบันก็ลุมฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกเอออย่างนั้นหรอกหรือนั้นแหละไม่คืนมาขาบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนี่ขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปานก็เข้าสู่อนุ ป, ปาทิเสสนิาพานถึงทำอันไม่ตาย อถอนจันหาทั้งลาภถอนความหลงทั้งลาภถอนความเพลินทั้งลาภถอนความเข้าใจผิดทั้งลาภด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมประสงค์แท้จักรประสงค์แท้ ความหมายของพระพุทธศาสนาเท็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาในวัฏสงสารกว่าจริงแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกธรรมดาพระโสดาบันเดินผ่าศูนย์กลางออกจากคกองทุกแล้วธรรมดาพระสกทาคามี ก็เหมือนกันธรรมดาพระอนาคามีจะข้ามทุกแล้วธรรมดาพระอรหันต์ข้ามทุกไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมนิยมของพระอรหันต์ก็นิยมไปอย่างหนึ่งสังคมของพระสสดาบาลชกทาคามีอนาคามี ก็เป็นสังคมนิยมที่ไปแถวเดียวกันไม่ปีนเกลียวสังคมของพวกโลกียก็ปีงเกลียว ก, กันกับท่านเหล่านั้นประชาธิที่ปฏิกรเหมือันกันเพรความนิยมนับถือต่างกันความเห็นก็ต่างกันความประพฤติก็ต่างกันสังคมก็ต่างกันสังคมของกิตของใจและความนึกความคิด สังคมของหมูหนอนก็สังคมหนึ่งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกั น, นแมลงผู้แมลงพึ่งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นเหมือนกันต่างคนก็ต่างเอาว่าเอาว่าโรคพาเป็นพวกดื่มสุราเมรัยเขาก็บอกว่าโรคพาเป็น ทิเว่นเขาก็บอกว่าโลกพาเป็นทำพาเป็นเพราะไม่สุกเอาเขากินมเพราะไม่ทำเป็นเครื่องวัดจงพยายามพากันทำจิตทำใจให้ถึงพระโสดาบัน ถ้าถึงปะโสดาบันแลสักทาคามีอนาคามมอรหันก็อยู่ในอุ่ง ม, มือถ้ายังไม่ถึงเลยยังไม่อยู่ในอุ่ง ม, มือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาฐานะของมนุษย์ ไม่เป็นฐานะที่จะมาท่องเที่ยวในวัดตสาสงสารจะเป็นฐานะที่เลื่อนขึ้นไปหาพระสวสดาบาลทักษาคามีพระอนาคารามีพระอรหันต์เป็นฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะขาดทุนลงม า, มาเป็นสัตติรฐานเข้าใจผิดโสเป็นโสตายต่อพระพุทธศาสนาเลือดทุกหยด จะบูชาพระพุทธศาสานาอยู่ทุกเมื่อและเลึกได้ไม่เลึกได้ก็ดีจะคว่หมอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสานาผูกขาดจองการอยู่ทุกเมื่อเพื่อผลทุกในวัตรสงสารโดยดลวน มันก็หมดปัญหาในเรื่องพระพุทธศาสนาถ้าถึงอย่างนั้นพูดถึงอย่างนั้นกับผู้สุปฏิปันโนก็มีความหมายเดียวกันพูดถึงอย่างนั้นก็ไม่กล้าไม่กล้าอบายมุกทุกประเภทเพราะเกรงจะเป็นเสี้ยนหนามต่อธรรมะของตน แล้วไม่เสียดายอยากทําด้วยถ้ายังเสียดายอยู่ก็ไม่ใช่พระสูปฏิปั น, นุเห็นว่าเป็นทางชีพหายไม่มีสารอุทธรจริงๆจึงเป็นสูปฏิป น, นุเป็นต้นไปอุจุยยะก็เหมือนกันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเล้อนเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ค่าขายน้ำเมาไม่ค่าขายยาพิษกฎของสุปฏิปันโนไม่มีใครมาบังคับเป็นเองไม่ครบมิตรชั่วเลือกครบมิตรแต่ที่ดีแต่เมื่อไม่ครบเขาก็ไม่ให้กระเทือนเขาแต่เมื่อครบเขาเป็นบางเวลา ก็ไม่ตายใจกับเขาคําว่าครบหมายความว่าประพฤติกับเขาจึงว่าครบไปพบเห็นกันช่อข้างช่วข่าวหรือโรงงานโรงงานกันช่อข้างช่วข่าวเพื่อรักษาความสงบไม่เรียกว่าครบประพฤติอย่างเขาจริงๆจึ ง, จร ง, จรงเรียกว่าครบเขาพคร บ, บคนชัวน่วเราไม่ยอมประพฤติกับเขาแต่มาให้กระเทือนเขาเรียกว่าไม่ครบ ร่างกายสังขารเป็นของใครก็เป็นของสังขารใครเป็นนายร่างกายสังขารก็คืออนิจจังอยู่ในวงแขนของอนิจจังพระอนิจจังตำรวจอนิจจังกองปราบอนิจจังกองปราบทุกขังก็อยู่ด้วยกันกองปราบอานาตาก็อยู่ด้วยกัน มองปราบสกลลกายให้เป่วยเนา่าเขาอยู่ด้วยกันพวกนี้ทํางานคนละแผนะแผนกแผนะไม่ก้าวไกลกันทําจังจำนวนนี้เราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงเราก็ต้องพิจารณาตามเป็นจริงถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะหลงทีนี้หลงมากา่อกเกิดเ ก, กาะเกศเกาะเก็บก่อตายมาเก่ออนิจจัง เป็นธาตุอนิจจังเพราะหลงอนิจจังเป็นธาตุของทุกขังเพราะหลงทุกขังเป็นธาตุของความหลงเพราะหลงหลงหลายๆหล่ำๆพระอริยเจ้ า, าท่านกู้ชาติกู้พบได้วพวกที่ยังไม่ถึงพระอริยเจ้ากู้ชาติกู้พบไม่ได้ยังเป็นธ า, าตุแห่งตัณหา ตันหาทาโสน เ, เพราะเหตุใดเพราะยังไม่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นแต่เพลินกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นข้าจะเอาอย่างอย่างนี้ดิฉันจะเอาอย่างนี้คนหนูจะเอาอย่างนี้คนยา่าคนป้าจะเอาอย่างนี้ในทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแต่เราไม่ประมาท แต่ไม่ตายใจด้วยทายเดียวยอมเป็นยอมตายกับทางอุดมคติทางวัตถุนิยมก็ค่ายกับปุ๋ยเอาไปใส่ผักให้มันงามไม่ต้องการจะกินปุ๋ย ต้องการกินผักทางวัตถุนิยมก็เป็นเสบเียงทางไกลสําหรับกายสังขารธรรมะทั้งหลายเป็นเสบียงเดินทางไกลของกิจตะสังขารพอขึ้นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนทำใหม่เปลี่ยนทำอันไม่ตายพอถึงที่เนี่ย ทาที่ปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หอไปพระนิพพานด้วยปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานต่างหาก ถ้าจะเอาทำอยู่ในโลกของไปพนิพานก็ค้ายๆก็ก ว, ว่ากล่าวตัวว่าผนิพาน์อดอยากไม่มีทันต้อนรับจำเป็นต้องได้เอาไปจากโลกจากสังขารเป็นเชเบียงเดินไปพอถึงเท่านั้น ชาติภพก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานชาติภพไม่มีเอาชาติภพไปด้วยมันก็ไม่ถูกเป็นอริยาชาติแล้วคือชาติอันไม่ตายคือภพอันไม่ตายน่าจะพิจารณาอ ย, ย, ยาบภพบอันไม่เกิดภพอันไม่แก่ภพอันไม่เก็บภพบอันไม่ตายชุกแล้วมากลับมาเป็นทุกข์ชุกในใจโรกธาตุ ก็คือสุกมาชั่วขณะเดียวก็มีทุกข่างศอกท่างเข่ามาด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อสุกไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ล่วนไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามเหตุไฉนมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยง เหตุไงมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันมาอยู่ในอำนาจวาสนาของใครไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันไม่ให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับมันก็มีความหมายอันเดียวกันเป้าอันเดียวแต่มันลึกลงไปเป็นลําดับรูปกายของเรากับ รูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประทุ ก, ก็มีความหมายอันเดียวกันนามก็เหมือนกันกนามแปลว่าชื่อมันรูปฟังแปลว่า ร, รูปนามแปลว่าชื่อมันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้กวก็แตกสลายทั้งนั้นท่านเทียบใส่ต่อมน้บ้าง เทียบใส่พยับเดชบ้างเทียบใส่กระทะดินบ้างเทียบใส่ต้นกล้วยบ้าง ทำเพื่อชวดคิดทำเพื่อสลดสังเวททำในทางพระพุทธศาสนาทำเพื่อเข็ดหลับในวัฏสงสารด้วยไม่ให้เพลินในวัฏสงสารเหมือนมัวล์ลำให้เข็ดหลับในวัฏสงสารอย่างแยบคาย อย่างสลดชังเวทชังเวทตนที่เคยลงมาสังเวทท่านผู้อื่นที่เคยลงมาสังเวทสัตว์ทั้งหลายที่เคยลงมาชังเวทตนด้วย หิวนอนเป็นของใหม่หรือของเก่าของเก่าที่เราเคยนอนมานั่นเองหิวอาหารก็เป็นของเก่าที่เราเคยหิวมาเกิดแก่เก็บตายก็เป็นของเก่าที่เราเคยเกิดแก่มาแล้วนั่นไม่ใช่ของใหม่มันมาเป็นรอบรอบเมื่อเป็นทางนี้ปัญหาจะหลงในเกิดแก่เก็บตายหลงในโลกทั้งหลาย มันก็เบาบางไปแล้วเมื่อเบาบางไปปัญหาที่จะสอดแทรกของตนเองก็ต้องเบาบางลงองกีกเหมือนกันปัญหาของตนก็น้อยลงปัญหาจะเพรินในวัฏสงสารก็น้อยลงน้อยไปน้อยมาก็เลยหมดกันก็จบกันเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาจบจิตความหลงของตนนั่นเองจบจิตความเพลินนั่นเอง เราคิดทุระความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองสําเร็จความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองเพราะไม่เพลินจะชนะเพลินด้วยความไม่เพลินจะชนะความหลงด้วยความไม่หลงจะชนะความไม่เห็นโทษในวัฏสงสารด้วยความเห็นโทษจะชนะความเกิดด้วยความ ไม่เกิดด้วยความไม่ยินดีในเกิดจะชนะความแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก่จะชนะความตายด้วยความไม่ยินดีในตายถ้ายินดีในเกิดก็เท่ากับว่ายินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่นตัวทีนี้เพราะถ้าักับว่ายินดีในชาติในภพอยู่ในตัว คำว่าโลกโค ก, กับคำว่านั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันคำว่าชัติชาติพบพบนั่นนั่หลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำสุภาพเฉยๆหอกเพราะมีรสชาติอันเดียวกันจะเรียบต่างกันก็ตามแต่มีรสชาติอันเดียวกัน ไม่ถึงชั่วโมงเลยหรื อ, อยังพูดไปพูดมาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเอสาธมโมพระธรรมเป็นของเก่าถ้าไม่พูดเรื่องความทุกข์ก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดเพราะวัฏจัรทุาขมันรถของชาติของมันมันเป็นทุกข์วาณเทพ ถ้าไม่พูดว่าผมมันก็ขี้เท็ดทีนี้ชาติทําไม่พูดว่าเป็นทุกข์คำว่าชาติชาติพระบรมศาสด า, าไม่นับรองว่าเป็นสุขชาติพิทุกขาเนขาดตัวแล้วมันมีสารอุศรเชร า, าพิทุกขาขาดตัวแล้วเป็นอินเป็นพรมเป็นยมเป็นพระกาลเป็นจ้ตุโล ก, กบาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์หรอกชาติกว่าตามไม่ได้บัญญัติไวในคัมภีร์ไหนๆเลยชาติพิทุกขาตีตะเลิดเลย ชาติเป็นทุกข์เชืราเป็นทุกข์ปยาธิเป็นทุกข์ชาติปีทุกขหาปีแปว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ยกเว้นเพียงเห็นชาติทุกข์อันเดียวพร้อมกับลมเข้าลมออกก็มีกำลังเหมือนกันลมออกลมเข้าอย่างนั้นแหละคือชาติทุกข์ คือเกยทุกคือเก็บทุ ก, ค, ก, ทกคือตายทุกถูกนั้นกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันพ่อตายจากลมเข้าตายจากลมออกเวียนไปเวียนมาอยู่ลมหายใจเข้าก็เป็นชาติหนึ่งแล้วตายจากชาติลมหายใจเข้าก็มาตายจากชาติลมหายใจออกก็เวียนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งตายหลายครั้งนี่ยังหยาบอยู่ เดี๋ยวควนึกอันนะั้นเดี๋ยวก็พูดอันนี้เดี๋ยวก็นึกอันนั้นตายจากความนึกความคิดอันนี้ก็มาเกิดความนึกความคิดอันนี้นี่ยังละเอียดมากเลยตายเกิดทียิบเหมือนพยายามเดบถ้าอาดีะเจ้าท่านเบื่อนายใครเมาหมดท่านมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจัดเป็นบุคคลท่านจงคืนหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตท่านจงคืนหมด ไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือจิตของท่านว่างเลยว่างจากความยึดถือใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจงพิจนารณาให้ยิ่งโรโมศาสน า, ศ า, ศาเราพิจนารณาให้ยิ่งแล้วนะถ้าท่านทั้งหลายพิจนารณายิ่งๆให้ติดต่ออยู่ความหลงของพวกท่านทั้งหลาย ก็จะหายไปละก็จะไม่รวมผลมาเพราะท่านทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริงชนะแพ้ทางอื่นไม่มีในทางวัตพุทธศาสนา ชนะ ก, ก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเท่านั้นพระพุทธศาสนามีความหมายเท่านั้นแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแท่ที้เอาแพ้เอาชนะภายนอกมากูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูแยกมึงมึงแย่งกู มันไม่ใช่แพะเวียนสนองเวียนภัยสนองภัยกูทีมึงทีเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันกูชนะมึงสิบสองชั่วมโมงมงกูก็ชนะมึงอีกสิบสองชั่วโมงคล้ายๆกับอย่างนั้นมึงมีอิทธิพลทางสว่างกูมีอิทธิพลทางมืดกูทีมึงทีอยู่เวนีน อันนั้นไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นเวรค่าๆอย่างนั้นเทียบเป็นบุคลาธิฐานแต่ถ้าสว่างในทางโลกุตระไม่ขบดคืนมาเป็นมืดพระอาทิตย์กลางวันกับกลางคืนยังขบดกันอยู่เพราะไม่ใช่โลกุตระเป็นสังขารพิเศษต่างหกสังขารที่ไม่มีวิญญาณ เป็นสังขารประจำโลกประจําโลกก็ประจําทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันประจําภะนิพพานก็ประจําสุขก็มีความหมายอันเดียวกันมันก็มาหาสกคนละกายสกลนละวาจาณสกลนละใจของเก่าแล้ว บาลีกายบาลีวาจาบาลีใจกระทู่กายกระทู่วาจากระทู่ใจย่นกระทู่ลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจย่นบาลีลงมาเป็นหนึ่งก็คือบาลีใจย่นมูลลงมาเป็นหนึ่งก็คือมูลใจมูลจิตมูลใจที่ทำดีทำชั่วมรดกดั้งเดิมย่นลงมาก็คือมรดกใจพอมาเกิดก็เอาใจดวงเดียวมาเกิด แน่นาลวสวนก็ไม่ไดเอามาด้วยถ้าจะไปก็เอามาเลยดกเดิมเนี้ยไปถ้ามีกุศลพ้นบุญก็ไม่ขาดทุนถ้ามีแต่หาบาปไปก็ขาดทุนใจผู้หา บ, บาปหาบุญไปก็คือใจผู้เอาบาปเอาบุญมาเกิดก็คือใจส่วนพระนิพพานไม่ได้หาไปเสียแล้ว พอถึงพระนิพพานก็กลายเป็นธรรมอันไม่ตายเลยใจที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายจะไปเรียกว่าใจเก่าๆก็กกไม่ได้อีกเหมือนกันพระลหันที่ท่านตายที่ท่านสิ้นลมปรานไปแล้วจะบัญญัติว่าใจมันก็ไม่สมฐานะ ก็เรียกว่าทำอันไม่ตายทำอันไม่เกิดทำอันไม่แก่ทำอันไม่เกิ ด, ท ำ, ก ด, ท, ำกดทำอันไม่ตายเช่นเราแก้มตอบฟันหักอย่างนี้จะเป็นเป็นบัญญัติว่าเด็กชายมันก็ไม่สมฐานะต้องคุณปู่คุณตาคุณพ่อหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูไปอย่างนั้น พาะไม่สมฐานะแย่ว่าดอยชอดอยอมันก็ไม่ถูกฉันใดก็ดีพระอาหารหันต์เข้าสู่อนุปาติเศสนิพพานแล้วจะไปบัญญัดว่าใจก็ไม่ถูกเพราะบัญญัติเกินไปไม่สมฐานะเสียแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานทำอันไม่ตายตรมตังนปลพยังพะตา ไปเลิกกันทีนี่เอาละทำมือกระทึกทำมอือกระทึกมากกับไม่ได้พักเลยทำ <c oughs> มอือกระทึกมาก <c oughs> ไปเป็นชุกพุทโธธรรโมสังโฆพุทโธธรรโมสังโฆมันนอนไม่หลับเออไม่หลับก็ดีแล้วมันหลับมาหลายภพหลายชาติเนีลยล มันก็ดื่มไม่อร่อยฉันไม่อร่อยมันก็อร่อยมาไล่พบไล่ชาติแล้วหลวงปู่นอนไม่หลับและอ่อนเพลี ย, ยค่ะก็ไม่อ่อนเท่าไรก็พอไปตามาภาษาผู้เอ่าน เ, <Okay. S 1> เดินจงกรมก็จับที่ลาวนะเดินไปเดินมา <Okay. S 1> ถ้าป่วยมาก็จับนะถ้าไม่ป่วยก็เดินไปเลยตอนกลางคืน นี่ไฟไฟไฟไฟเ ห, ห็นาหผนไม้หรอเอาให้